จะพูดธรรมะสู่ฟังสักหน่อยนะการฟังธรรมะที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์สำหรับต น, นั้นที่ตังจิตของตัวไว้เฉพาะหน้าอยากไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตที่ผ่านมาหรือั้งน้าที่จะถึงพอโอกาสเวลาที่เรานั่ง ตอนนี้เราม่ีจิทธละสิจะไปจัดไปทํเพาะนั้ น, นตัง้งสติในปัจจุบันไม่ต้องคิดกันไเดนหน้าเลื่องหลังเลยสั้งสติมี ส, สติรู้ดู่ฉพาตัวไม่ได้คิดไปส่ ง, สปสงสปสไปสู่สัญญาอะไรอธิบายานาคตรล้อคนน้ะ ถึงใเจบอจอเอาใจใ ส, ส่ฟังแต่ของหูของเรามีน้าจีจะรับเสียงอยู่โดยดีทํานพูดอะไรไปนั้นก็จะไปสัมผัสกับใจที่เราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นกระ น, น, นองฝนที่ตกลงจากท้องฟ้าเราตั้งภาชนะไว้ในต้องบิ่งไปรับเม็ดนั้นเม็ดนี้เมื่อตั้งภาช น, น, น, นาะของเราไว้ดีแล้ว ฝนตกลงมาจากส่องฟ้านั่ก็ตกลงมาอยู่ภาชนะของเรานะมันก็จะถังอยู่ในภาชนะได้แต่ปัจจุบันนี้การฟังธรรมไม่เคเด็ดคิดแบบนั้นเพอสั่นเอยธรรมะขึ้นบางสั่นบางคนก็คิดไปว่าความรู้เย่างสั่นนี้ดูความเห็นอย่สั่นนี้เราฉุนดีกว่านี้ หากไปดีกว okay, ่า <c> น <oughs> ี้ได้คิดไปในแง่ต่างๆนานาหรือไม่อย่างนั้นการฟังเท็จเปรียบเสนือนใหม่กว่ามีเทศบันทึกเสียงเอาไว้ในตั้งใจวันนี้วันหน้าจะฟังก็ได้ก็เลยน่นเลรับผลรัประโยชน์อะไรจากการสรดับรับฟังฉะนั้นพวกเราฟังเพื่อจะสำปัดอารมณ์สัญญาที่เหลือัญหาออกจากใจ ดังเชื่ดังจิตดังใจของเราที่เคยฝึกไปตามพัฒนาเรม่อต่างๆเพื่อให้สงบระงับโอกาสเวลาตังรรทำน่ะคือโอกาสเวลาที่เราไปฏิบัติจิตใจของเราขัานตอนจิตใจขอ ง, ง, งเราโดยทำน่ะในจิตใจของเราได้รับความสงบระงับได้รับความสุกความสบายในเวลา ระดับลักตังเพราะเราฟุตที่มีห น, น้าที่ฟังนั้นมันสะดวกมันสบายเหมือน ก, นกันกับอาหารที่แม่ครัวเขาปรุงให้เราอยากทานแล้วก็ทานอย่างสะดวกสบายเราไม่ได้ลงมือทําแต่พขยกมาให้เราอยากทานแล้วก็ทานไปเหมือนเราทำเองกว่าจะได้มาทานมันลําบากนี่ ประเดนธรรมะก็เมือนหน่วยครัวที่หาอาหารมาให้แต่อาหารอะไรที่ถูอกับกระดิบนิสัยเสียทานไปอาหารอะไรที่ไม่ถูกกับกระดิบนิสัยก็ไม่ต้องทานพราะทานไปแล้วร่างกายของเราไม่สบายแสดงโลกไัยในตัวของเราหนุมธรรมะของพระพใทธเจ้าแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์นี้มากมาย แายกองเหลือที่ผู้ที่แสดงจะนำมาแสดงได้ ถ, ถึงเพราะธรรมะมากที่ขันบัญจาตเอาไว้ตามตำรับตาลาแต่ธรรมะนั้นถ้าจะพูดให้สั้นแบบหนึ่งสี่ันถ้าธรรมะขันดเดินลงมาก็ได้แกจกศีลธรมาที่ตัญญาเดินลงมาก็ได้แจกกายลาจาใจ ในนอกเหนือไปจากสิ่งจะมีหน้าขนาดไหนก็มาสอนกายใจใจของบุคคลมาได้สอนไปที่อื่นแต่เมื่อเราจะคิดปริงไปตามเรื่งธรรมะไม่โกงหน้าเหมือนสมสำเลเราจะเขียนไปขนาดไหนก็เขียนไปตากเลือ้าวตัวจิตกับส่นฐานนั้นไม่ได้เอาที่อื่นมาเขียนจะเขียนเป็นหนึ่งเป็นพันเป็นแสนเป็นล้าน เลือหลเนี้อสลับกันไปเหยียงกันไปตั็งเนื้อมันเ็นหาขึ้นแต่ความจริงเลือดม่าน้นมีกล้าวตัว1ิดกับส่วนไม่มีหน้ากว่านั้นแต่เหยียบแต่เรว่าธรรมากับทำงา น, นาเดียวกันเหยียบลงมาแต่ไหนแค่บายบายใจใจแต่คิดไปทำไปพูดไปมันหน้าคือที่อยากจะสงบ สัมยาอารมณ์ทำจะต่องจิ้มที่ใจมาสำลัจิตใจทั้งตัวหน่นข้นเมื่อจิตใจไปฟังไปคิดเหมือนกันกับเราเมือไปเขียนลบออกหมดเลยนะเปล่าตัวเหลืออยู่แต่ศูนย์านั้นเวลาเราไปเขียนต่อสูนก์เป็นศูนอยู่อย่างนั้นจิตใจของท่านผูกกับพืชเปรนปรีบั ที่เรารับความสงบสงัดทุกโอกาสเวลาเนื่องจากว่าท่านชลาลบอารมณ์สามยาต่างๆนานาออกจากจิตของท่านทำอยู่สงบสายทุกการทุกเวลาพออารมณ์ัมยาที่เห็นโดยตาโดยยิ้มโดยหูท่านมีสติรู้และมีปัญญานีสอนใจ ลบออกไปให้จิตไปคล่องติให้จิตไปยึดถืออยู่เป็นเรื่องของสุขจิต บ, บัตรทางศาสนาเก่วกความสุขความสงบของตัวเป็นอย่างนั้นถ้าหากเราไ ป, ไปจิตไปคิตไปเพลงลูกเสียงดินรสสัมผัสมันมีอยู่ในโลกตจะไหนจะไรมาจะเรากไเหลง ไปยึดไปถือว่าอันนั้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้จึง ท, ที่เราชอบใจของใจเราเก็ยืนดีเด่นใสดาวได้เึ็คิดจึงที่เราชอบเราบอกไม่พอใจมีความรงเกียด ต, ต่างๆจิตใจเราเกิลเลยไม่สุขไม่สบายให้พอจิตใจไปติดไปข้อไ ง, องไม่มีธรามดาจิตจะสำลักสาแง จิตใจของตัวความรู้มันมีอยู่ทุกคนแต่คนาฉลาดมันน้อยรู้ อ, อยู่ทุกสิ่งทุงกอย่างแต่ฉลาดสอนใจของตัวแต่ละชั่วในจิตข้องยึดถือนั้นมันเป็นของยากถ้าคนฉลาดในรู้มากก่อตามแต่ฉลาดรักษาใจของตัวไม่ให้ชั่วไม่ให้เสีย มนเหโลกโกรเหลงต่างๆมาครอบงมจิตใจคนนั้นท่านสุขท่าสบายมาจงไปหาอย่างอันอื่นมาสุขมาสบายใจสบายตัวอย่างนั้ น, นสบายัาย่วไปหมดเพใจเป็นป่าทานใจเป็นถือไปยงนไปคิดไปจิต ไ, ไ, ไปของไปจนหมดหนึ่งหมายว่าหญงว่าชาย ว, ว่าสัตว์ ว, าา ว, ว่าบุคคลต่างๆ ใจมีมาาวความสะอาดที่ม้พิจารอาละถอนความผิดของท้องใจที่เจ้ามาจีนต่างเหล่านั้นให้ไปจับชัดเกินในจิตของตัวถ้าผกิดีป็นลูกถึงเสียงมันกลม ม, ม, ม, ม, มมีอยู่ที่อืมม่นที่อื่นมันกลมีตัวของเรามันก็ตัวของเราเป็นด่างไรที่อื่นมันก็เป็นด่างนั้น เข้าใจไปจากชาติเพือนในต่อไเห็นไปหาที่อื่นเพราะมันมีอยู่ธรรมะของพุทธเจ้านั้นความจริงแล้วมันอยู่กับตัวของเราไม่ได้อยู่ตามตำรับตำราในโดอยู่ตามลมปากของคนอื่นพูดดีไปในเรื่องธรรมะคนอื่นเลื่องใสสัรทธาคนอื่นมีเรียนเพื่พชอบ แต่ผู้พูดเขาบอกพูดไม่ดีไม่เป็นไปตามธรรมนียที่เขาพูดและสอนคนอื่นมันควไจะมีความสลุกความสบายให้แต่นั้นเรื่องธรรมะจึงมีอยู่ที่ใจที่วาจาที่ใจคือการกระทำํำก็ถูกต้องตามธรรมะการพูด ก, ก็ถูกต้องตามธรรมะ กคิดก็ถูกต้องทางธรรมะคนนั้นเราเชื่อว่าเป็นคนดีมีธรรมะแต่จำตัวถ้าเพียงแต่พูดโคศกอยู่ในสถานีต่างๆเขาพูดเรงพูดได้คนตัางเหยียเพิเหยเพิ่มไปตามลมปากของเขาแต่ตามประูดไปจีบักของเขาเหรอกมันไม่ฉลาดมีแต่ความรู้พูดอะไรก็พูดไปได้ เนี่ยโดนกิเลสปัญหามาหน้าทิกศที่ที่ในยีนงานเขายมยิ้มหน่อยๆท่านั้นมันก็แสดงออกทางใจทางวาจาเพราะเขายังมีความฉลาดที่จะทํำละจิตใจของเขาเขาจึงเป็นอย่างนั้นมันมีแต่ความรู้มันมีความฉลาดที่จะรักษาใจทองตัวมันก็เลยยิเลสปัญหาหลัวไหลทับผมจนตีต้า เรามีความสงบความสบายเวิดขึ้สิ่งที่เขาชอบเขายินดีเดินเขา้เขาเขากระแลกอย่ากล้าใสิ่งนั้นนี่คือมีต่างจากความรู้ไม่มีความฉลาดที่จะรักษาใจท่องตัวพวกเราทุกคนรู้สิ่งต่างๆแต่เรามีความฉลาดรักษาตัวอย่างนี้จึงเกิดความตั้งยันหยิ่นวายไม่สุขไม่สบายให้ หาสลัดรักษาใจในจิตใจกองตัวของจิตจิตจงไปนในเรื่องต่างๆเหมือนกันกับลบออกไปหมดเลดยหรือแต่ศีลจะเป็นบวกลบคูณหารกับตัวไหนมันกม็มีคิดมีภยัยเพราะศีลมัเป็นศีล อ, อย่างนั้นมันมีคุณค่าอะไรให้จิตใจที่ลบเรื่องต่างๆนานา ยืดตัญหาออกไปกต่เหมือนกันจะได้นั้นศูนย์มันไม่มีไม่เจอมีอยู่นะนี่ยแต่มันไปหลวกลบกับเรล่าเจอื่นในขึ้นในลงให้จิตใจของท่านถูกลบยืดปัญหานเรื่องคิดติดข้องในเรื่องต่างต่างนั่นนะก็เมือนเหลดศูนย์มีอยู่อยู่เข้าใจอ ย, อ ย, อยู่แต่ในติดในติดในจง ในจังหวะเนว่ยงยในมีภอนตรายอย่างไรในใจของ้างท่านสุกท่านสงบเลือดศู์ถ้าไป อ, อยู่หนาตัว อ, อื่นมันมีคุณค่า้นอีกตั้งสิบเท่าใ่ใจเล่เล่นแต่ทํามันอยู่แต่ตัวข้าเอนเองมั่มีมเลือดอื่นนั่นกม็มีคุณข่า เป็นศูนย์อยู่อย่างนั้นนี่สวนเราท่านก็ทํางานโย ก, กันศูนย์ทางมันมาอยู่ในจิตในใจของเราแล้ ว, ลวมันมีคุณค่ามีสาระมากมันสุขมันสบายมันหายงงงวนนี่เรามีมยอย่างหนึงความเป็นศูนย์ให้นีไปเขียนต่อไปเรื่อยไปส่วนเราเป็นถูกไปเขียนจิตใจของเราเองไปยึดไปคือไปจูดไปขวอง ในอจป่นเ้านอกยุดเสียงกินรวมันมารบกวนเรามันมาทักผมเราเราต่างหากที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะทำไม่สลาดของใจมันจึงจป็นใจอย่างนั้นฉะนั้นตามประเชืปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตจึงจเบืองหนัาขี่ของพวกเราทุกคนควรฝึกฝนอบรมเกี่ยวกความสุขความสบายความเยอกเย็น ของต er ัวเองในใ่คนอื่นจะมาทําให้เหมือนกันก <It> ับเราทานอาหารเราไม่ทานคนอื่นก็จะทานเถื่อนหนาเถื่อตานั่งเบียดกันอยู่กว่าไม่มีโอกาสเวลาที่จะหยินน้ำสาลานได้เราเคยหิวเคยหัวอยู่อย่างไรเคยหิวหัวอยู่อย่างนั้นทำนมะของกุ้งไตเจ้าพันกว่าหิวซันมีมาก อ่านตามตำลับตํารากฎเป็นธรรมะในตําลับตําราสร้งจากคูบาอาจารย์กฎเป็นธรรมะของคูบาอาจารย์ตัวของเราเองเป็นอย่างไรเราจะต้องสืบสอบทีิธีการมาดีใจองตัวเรายะเวลาปัจจุบันเยวนี้จิดมันเป็นเกาะเดียวเรื่องอะไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะทำลายใจหรือเป็นเลื่องสะสมที่เลย ต้องเปิดตาที่เจอาะดูภายในเมื <c oughs> ่อเราเปิดตาที่เจอนะอารมณ์สัญญาของเราอยู่ตัดออกไปในสิ่งที่ชั่วที่เสียปล่อยออกไปในสิ่งที่ชั่วที่เสียในกอบโผล่สิ่งที่จบกระบอกโผมลม่มมาทับถมจิตใจจิตใจของเรากว่าสระห่างใส เมื่อจิตใจสะอาดก็คือของสะอาดจะเป็นถ้วยเป็นจานใส่อาหารก็น่ารับทานจะเป็นบ้านเป็นช่องแเราจะนัง่งจะนอนก็ะกสะดวกสบายเป็นผ้าหนึ่งผ้าหม่มถ้ามันจะอาดก็น่านุ่งหน้าหม่มมีของสะอาดมันดีสบายถ้ามันตกกระปกอาหารถึงจะดีขนาดไหนถ้วยจานนั้น กระปกุกโค้อมเป็นที่เอามาใส่นั้นรถชาของอาหารถึงจะคงเป็นคงยาวอยู่ตลอดตามแต่เราจะไม่ชอบรับทานไม่ินดีไม่พอใจเพราะถือตามที่ใส่ในกระปกเาเสื่อผ้าที่เราไมาดไมเสียไปที่ไหนแต่ความกระปกโค้งอมของเสือผ้ามันมีแล้วก็เลยชอบจะใส่ ใส่แล э ้วก็เหมือนสบายใจเหมือนสบายใจดันช่องที่หลับที่นอนก็เหมือนกันถ้าปกกับปกอันต้นอย่างนั้นใจของเราที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็เอความปกกับปกของกิเลสตัณหาแต่นั้นธรรมะท่านจิ้มให้กั่นให้กองเกี่ยวความสะอาดของใจสิ่งใดที่เป็นที่เป็นไผ่ปกกับปกโฉมขับไล่ออกไปเอย่าแล้ว เรากรองดีแล้วมันสอะอาะการที่นิพพานธรรมก็คืนะอการกรองจิตใจของเราเพื่อให้สะอาดเหมือนน้ำที่คุณทีคือกระโปะเราผ้านหลายชั้นมากรองน้านั้นสิ่งที่ปกระปกมันก็ค้างผ่าอยู่ที่มันลวกไหลหลอดออกไปนั้นเป็นน้ำที่สะอาด ยึดกันแล้วไอของน้ำทีออกไปนั้นมันสะอาดถึงน้ำจะขุ่นปกกระปกทัากันแล้วน้ำปีกันได้นั้นจะน้นปีสะอาดใดาดสสบายแกใค้ก็สะดวกสบายนี่จิตใจของพวกเราท่านก็ท <c oughs> ำงานเดียวกันเราเคยกันเคยกองมนะั้ยเรื่องสัญญาอารมณ์อะไรไหลามาตกรอบเอาปวยเอาใส่ถังขยะ มีของหยุดของดีอะไรอยู่ในนะั้นมีต่างต่ของโปรกโปกของทิ่งเศษอาหารเขาสิ่งลงใส่ถีงถังนั้นมันเหมือ น, นมาก่อนก่อดตามแต่ด้วยอำ น, นาจของโปรก ป, รปกต่างตาที่สิ่งลงไปโยนลงไปมันก็เหมือนขึ้นเพราะของโปรก ป, รปก มันไปตกอยู่ในนั้นจะิตใจของพวกเราท่านก็ทํ า, นนางานเดียวกันปกติของจิตใจนะั้นมันสะอาดเหมือนน้ํารรมด า, าน้ำํำมันสะอาดอาจะเป็นน้ํำฝนมาจากแห่งฟ้าก็ต า, อ, าอยู่ในบ่อในตะกอตามน้เป็นของสะอาดแต่ที่มันมีสีต่งงางๆก็เพราะอาศัย สิ อ, อื่นมาตกใส่นี้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ราะข้างนันก็ดิเป็นไปตามจริงๆนะตกใส่อย่เป็นน้ําบริสุทธิ์ให้นี่าเรากรันเรากรองแล้วน้ํานั้นมันก็หายจากความปนเปกเป็นน้ําที่สะอาดเหมือนเดิมฉะนั้นเรื่องจิตใจของพวกเราท่านจึงควรกรันขวนกรองควรชำระสาสาง หายจิตหาใจมันเบามันบางมันสงบสบายไปได้มีปัญญาฉลาดรักษาจิตใจของตัวทุกการทุกเวลาเหนื่อพบกปะหรือได้ยินอะไรเข้าอย่าให้จิตหลงไหลใส่ฟันยึดมั่นไม่จริงอย่านั้นนีเพือคือจิตฉลาดเือที่มีปัญญารักษาจิตของตัว ทั้งๆที่รู้เสียงเรื่องลาวต่างๆอยู่ในโลกอันนี้มีอยู่พอพูดใหเจ้าอริยะเจ้าทั่วไปท่านธรมจิตใจในสิ่งนั้นท่นานพระจิตใจท้งท่านบริสุธ์ท่านอยู่ในโลกในสมุดในโลกแต่สมุดในทับมจิตใจทังท่านท่านจึงสุขจึงับาพาอท่านธนะจิตใจทั้งท่านการธรรมจิตใจนั้น มันเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนถ้าหนใจจิตที่จะสัญญาแตสางแล้วใจนั้นมันเหมือนกันกันกบน้ําที่ไหลลงตูที่ต่ำเสมอไปแต่ใจนั้นจะไหลขึ้นที่สูงเหนือของน้ำน้ำใจของเราจิตใจของเราก็ทํางานโยกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าหา้ามหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสิ้จิตใจมันก็ไหลขึนข้น นี <emás S 2> ่จะคิดจิงไปในเรื่องต่าเรื่องเสลี่ยเรื่องเสียเย่องโลกจิตจิงกกับตกเพราะที่ต่านั้นมันไหลรวมลงแต่ความปกกับตกที่สูงนั้นของตกกับกมันก็ยไปถึงอย่างยอดมันให้สูงสูงส่วนละอองต่างๆก็มันคอไปติดที่ต่ำต่าคนเยียดเนลายก็ติดมาจะเหี่ยวก็ได้ของ ที่ต sort of ่ำๆมันจึงจกระปกก่อีสูงๆอีกใจที่ต่ำกทํานอเยอะกันยิ่งต่ำมากเท่าไรก็เห็นเฉเพาะตัวเห็นเข่าตัวไปแคบไปเหมือนกันกับคนลงหลมยังบอกลึกๆท้องฟ้าจะกว้างใหญ่เท่าขนาดไหนมันก็เห็นแ่ตาเห็นากบ่อเท่านั้น มันมาเห็นกางขวางออกไปคนที่อยู่ในที่สูงมันเป็นอย่างนั้นมองไปที่ไหนมองไปได้เห็นไกลสาย ต, ตายาวขนาดไหนจะเห็นไปทั่วนี่คืออยู่ที่สูงจิตใจของพระพุทธเจ้าหรืออริอยะเจ้าที่ตัณสึกอบวมของท่านเป็นจิตใจที่สูงเป็นจิตใจที่สะอาด เห็นจริงมองเห็นยื่นปัญหาแมาน่นาคทิศต่างๆได้ขนาดชัดเจนมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงได้มนเข่าตัวทิศที่ชั่วไม่ว่าตัวเองหรือคนอื่นผิดทําชิดมันก็อเป็นทิศเป็นภัยเหลือกันทางนั้นเลือตัวของท่านเ น, นื้ทราบว่าทิศที่ชั่วนั้นเป็นทิศเป็นภัย ไม่อยากได้ไม่ยินดีท่านก็ไม่ยอมตปแตะต้องคือไม่ยอมพูดยอมทํายอมคิดในสิ่งนั้นนั้นเพราะท่านเหวี่ยงมันชั่วคนอื่นเขาทําก็ว่าทำนองเดียวกันถ้าพอมีโอกาสที่จะห้ามเขาได้บอกเขาได้สอนเขาได้เขายอมรับท่านก็สอนไปถ้าเขาไม่ยอมรับจะเป็นหน้าที่ของเขา เรับทุกรับโทษจากการทําการถูกการคิดทั้งเขาทุกรับใจเจ้าโดยเติมใหญ่ธรรมะของท่านที่บัญญัติเอาไว้ขอเพื่อสอนกายสอนใจของปกเราสี่บิข้องอยู่ในวัตต่า้งสารใค่สำลับสาสารหยิดใจของตัวที่ชั่วเสียทุกร้อมต่างๆ ให้สะอาดให้เยือกเย็นเพราะธรรมะทุกบททุกบาทสอนเข้ามาสู่กายวาจาใจทั้งนั้นคนใดที่ใคร่ทำที่เจรณาทำคนนั้นแหละจิตใจที่ต่ำกค่อยจะสูงขึ้นจิตใจที่มืดบอดก็ค่อยจะสว่างสวัยจิตใจที่เดือดร้อนก็ค่อยจะเยือกเย็นนี่อานิสงส์ของการบําเพ็ญของการภาวนาของการละที่หนึ่ง ตัวเองจะต้องเห็นต้องเป็นไปจากในตัวไม่ใช่ลอคนอื่นมาบอกให้จะมีใบประกาศนียบัตรมาให้ไหวทผ่นด้าเสื้อดาสุจิทาคาอนาคาลังหันไม่เป็นอย่างนั้นตัวของเราเองเห็นเป็นในตัวของเราถูงรู้ผิดไปแผ่นดินจะรับรองให้ถ้าเราไม่เห็นในตัวคนอื่นจะสัญญเส้นยอนยอ ส่องสาธุการขนาดไหนวะท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจเด่นสูงมันก็เป็นไปไได้เพราะเรื่องของใจมันเป็นไป ต, ตามลมปากของคนเป็นไปด้ยวยการสำราญสระสารเป็นไปด้ยวยการประพฤตปฏิบัติตปจากในใจิตในใจของตัวเขาจะยินทาทั่วโลกก่อตามแต่จิตใจของเราเป็นอย่างไรนั้นเราทราบดีแต่เขายินทานั้นเป็นการเข้าใจผิด ความถูกต้องจริงจังเราเห็นเราเป็นอยู่ด่างนี้ล้วไม่ได้ตันหนึบไม่มได้เสียใจไปตามลปาามปากของเขาจิตใจของเราอ่อนจิตใจเบิกบานจิตใจรู้จิตใจต็มจากความเสือเสียต่างๆถ้าเขามีท่าไนดะ้ดูถูกไนดะ้ แต่ความเสียหายจิตใจของเราสั่ามอนคือจิตใจของเราเองยังไม่ดีพอเขาว่าอะไรก่อพอรับลงปากของเขาของสารเสพติดก็หลุ่มหลงเพิดเพลินไปตามคําของเขานี่คือจิตใจที่ยังห่างไกลจากธรรมจากวิมัยจิตใจที่ไม่มีสติธรรมญาเพียงพอแต่ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเสียก่อน เพราจิตของเรามันยังรับอยู่ถ้าหาจิตของเราไม่รับอะไรเข้าใจชัดเจนแล้วเขาจะมินทาว่า่าวขนาดไหนใจของเราก็ไม่หวั่นไหวไม่เสียหายโดตาเขาจะสรรเสริญขนาดไหนใจของเราก็ไม่หึงนี่คือ่ยวกันเกวกับจิตที่อยู่ตัวถึงศูนย์เราไปลบกว่าตามเไปบวกกว่าตามไปคูณไปหารกว่าตาม มันไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมจะมนเลขขึ้นอีกมันมีอย่างไรเป็น อ, อย่างนะั้นความเชื่อเสียของเขาผูทา้ท้าวมิถาก็เป็นลมปากของเขาสองข้างเรเสีย น, นก็เป็นลมปาของเขาเราเป็นด่างไรคงส่งคง ว, วาหรือไม่สอบสูตรที่นิจเนะภายในของตัวไม่มีความมันไหไม่มีความอ <c oughs> เอียงไปตามเรื่อง ของสันและโสมินธานั่นแหละคนนั้นจะมีความฝุกอยู่ตลอดกาจตลอดเวลาไม่ว่าไปอยู่สถานที่ใดใจผ่องใสใจบริสุทธิที่จะบริสุทธิ์ได้ก็พร อ, อาศัยธรรมะสะสามอาศัยการตั้งคิประจิตแบบัดคอยแต่ทาบําเพ็ญสติที่ยั้งอ่อนเมื่อเราแนวสอนแต่ทาบำทําเพ็ญอยู่สม่ำนเสมอมันก็กล้าขึ้น สัญญาขอทานองเดียวกันอารมณ์สัญญาที่เคยของจิตคิดตรงต่างๆเนื่อเรามีสติมีปัญญามีธรรมะในตัวเราก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งนั้นนั้นให้ตกไใจได้จะมีความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ของตัวเมื่อใจสบายเม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชทารวาคนนั้นมีความสุข ถึงเรามีสมบัภิสถ า, านเข่าของอะไรกว่าตามอนาคตของใจอยู่ในอัจในถ้ำอนาคตของใจพอตัวแล้วไม่ต้องวิ่นวุ่นหาอันอื่นมาบํารุงนําเรอให้เป็นสุกดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยสัวกทั่วไปท่านอยู่คนไม้อยู่ในถ้ำในดงเรามี ติดยาหมันสองไมยมีตาสาลาดสว่างไม่มีรถเรือขี่ไมยมีแอร์เป็นที่อยู่ท่านก็สุข ก, ก็สบาถ้าไในจิตในใจทั้งท่านพอใจทั้งท่านหมดที่เหลือปัญหาหมดความ่ากหมดความว้าวุ่นคุณมัวแต่คนที่มีสมบัติสถานเข่าของเงินทอง ทุกสิ่งทุกอย่าทภายในออกสมบูแต่จิตใจว่างเวนจิตใจจน็มไปด้วยขี้เหลือปัญหากินยาขาดใจตายแขวนคอตายก็เคยได้ยินไม่มีอะไรที่จะสุขให้เพราะใจไม่สุขอยู่ในสถานที่เย็นขนาดไหนมันก็ร้ออยู่ที่สะอาดขนาดไหนมันก็โปกๆพออารมณ์ของใจเต็ทไปด้วยขี้เหลือปัญหา ดันั้นเราจึงควรชำระเรื่องจิตใจของเราใจที่ชั่วที่เสียนั้นขอเราคอยตามเกิดเพลินเอาที่เหลือตัณหาเป็นศาสดาสอนใจในเชื่อฟังคำวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าปล่อยมันไปตามความอยากของใจมันขี่หลังหนังคอ้เลี้ไปไม่มีความคิดที่จะสู้ลบขบแตะกับมันมัน คิดอย่างไรก่อปล่อยวันใจอย่างนั้นไม่เคยบวกลบดูว่าเราทําไปพูดไปคิดไปนี้มันมีมันชั่วอย่างไรจะเป็นไทอันตรายหรือจะนําความปวดมาให้ในเคยวกคิดสอนใจฟงโปวดมันจึงเชื่วจึงเสียมันจึงทุกข์จึงเดือดร้อนแต่นั้นคําสอนของโลวิตไตเจ้าท่านสอนว่าโอปะนัจโกน้อมเข้ามาเพื่อ แก้จุดเดืปัญหาเพว่สอนใจของตัวคนใดที่เห็นก็ดีโดยยิ้มก็ดีน้อมสิ่งนั้นนั้นมาฝึกอบรมใจของตัวเองม่ได้ดต่อยใจหลงไหลเพิดเพลินในการเห็นการโดยยินแต่นําสิ่งนั้นมาที่นี้ที่เจนาเพื่อแก้ไขจิตใจของตัวที่ไปติดไปขวางไเหลง เไปยึดนั้นให้หายไปคนนั้นได้ที่ว่าผูผ้ฝึกใจผู้เข้าไปสู่ควาสมสงบเพอทุกสิ่งทุกอ่หากเราคิดพิจารณามันก็พอทราบได้ว่าอันนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นอย่างไรถ้าหากใจของเราไม่เคลิบเคิ้มหลงไหลไปตามขีดจันหาแล้ว มันพอพิจรารณาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเลยหามาจากที่อื่นมาสอนมนุษย์คือความมีอยู่ในโลกความมีอยู่ในเท่าองค์จิตทุนจิตที่พิจรารณาธรรมะความจิตคล้อง ม, มันไม่ไปจิตคล้องอที่อื่นมันจิตคล้องอที่ใจใจเลี้ยงไหลายใจใส่ฝัน่จยึดมั่น มันจึงเ ก, กเกิดทุกเกิดโทษถ้าชำระมันมันก่อหาก็สมายก่อ ส, สะอาดแต่นั้นทางชำระทางพิจารณาธรรมะมันจึงมีมากแล้วแต่ทายาสายทองใจแต่การจะชำระจิตใจเห็นว้จริงเห็นจริงนั้นก่ออาศัยคนนั้นจะต้องตั้งมันมีสมาธิในตูว ถ้าไม่มีสมาธิเลาะแอเลีเลเล้ยไหลทำอะไรจับจดในอาฐานคนนั้นมันเกาะทำหน้าที่อะไรไม่สำเร็จรุ่วงตัวได้พอใจไม่มีสมาธิสมาธิือความหนักแน่นของใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญจะทำงานของโลกกว่าตามทำงานของธรรมก่าตาม จึงขาดสมาธิใน ไ, ได้สมาธิจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะควรฝึกอบรมแต่สมาธิที่พระพุทธเจ้าทร <c oughs> งสอนให้เรามีวิปัสสนาปัญญาเืลี่ยที่เลิศชันหานั้นห <c oughs> มาหถึงสมาธิภายในสมาธิทางอัดทางทำ เริ่มฝึกจิตใจของตัวเคยขวอง จ, จิตเช็ดจนต่างๆให้เขามาสงบอุบายทุกทีที่พระพุทธเจ้ า, านำมาสอนพระองค์พระองค์กําหนดลมหายใจกําหนดออกก็เห่รู้เข้าก็เห่รู้ให้สติอยู่กับลมหาย ใ, ใจในใจให้จิตเช็ดจุนไปเรื่องใหม่ เพราะจิตยิดตรงมาแล้วไม่มีผลมีประโยชน์อะไรจิตใจไม่เคยแก้ไขความเศร้าหมองขัดข้องของใจได้เลยมายึดอารมณ์หายใจว่ามันออกอย่างไรมันเข้าอย่างไรให้สติให้จิตเกิดจออยู่นั้นห้ามกันปัญญาอารมณ์อันอันอื่นตรงขึ้นก็ไม่ จิตตามผ่านมากรณเกี่ยวข้อจิก็เลยรวมลงเป็นสมาธิได้สมาธิความรวมลงของใจของพระพุทธเจ้ารวมลงได้เราเนี่ยฝึกอย่างนั้นก็เหน่อยเหลืียวใส่รวมหายใจทั้งเรากป็นอยู่นั่งอยู่ก็มีลมหายใจนอนอยู่ก็มีลมหายใจเดินไป ที่ไหนเวรหา ย, ยใจก็มีอยู่ถา้าเราฝึกอบรมอย่างท่านจิตใจจะเคยแ ส, ส่ใสหยุ่นไหวต่างต่งกว่าจะสงบได้เมื่อสงบมันเป็นอย่างไรเราไม่เคยเห็นความสางบของใจกว่าจะรู้เพราะมันผิดแตกแต่างจิตธรรมดาที่ในใจสงบแสบ่ใสไปตามจิตเดชปัญหาเราฆ่าเมื่อมันสงบมันจะหนาราบอย่างไรมันเป็นอย่างไรความสางบ แล้วัวทราบจากความเห็นความเป็นของใจพอมันไมนื่อยสงบมันสงบเข้าเราทรามันเบามันสบายมันไม่ยุ่นวายโยคล่องกับสันญาทั้งปวงนี่คือความสงบของใจเราจะนั่งอยู่ทีวันทีคืนถ้าหยุดในถอนจากความสงบเราก็ไม่เดี๋ยวไปยึดไปจิกไปคิดไปเปลืงว่านั่งนานแล้ว เกิเหนื่อยเหน่อยเหนืยเื่อยเจ็บปวดตงนี้าดิตมันจะคิดออกแค่ทางนอกอย่างนี้ไม่ิต่าความสงบเต็มที่ถ้ามันสงบเต็มที่มันเมนื่อยคิดอะไรกายทางกายมันก็ไม่เลยถือว่าคนกายทางจิว่าเรานั่งเรานอนเราอยู่อนบดได้เล็กที่ได้นึ่คือความสงบของใจถึงที่มันต่อมาทางกายเบาใจเบามันจะยึด ข้างหน้าข้างหล ắng, ังอดีอดอดตอนาคตปัจจุบันเพงจะรู้อยู่เท่า น, นั้นรู้ก่นอนเวลาเกี่ยวกับกาเรียน า, นาสัญญาอารมณ์อะไรเพีงแตรนนู้นี่คือความสงบพอถอดถอนออกมาจากนั้นจิตใจมันมีกําลังที่จะที่นที่เจนนะจึงต่างสายเหนรู้เห็นตามเป็นจริงได้เพราะความสงบนั้นเหมือนกันกันกบเราพักผ่อนหลับนอน คนทำางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีกำลังที่จะทำเหนเหนื่อยเหนื่อยหิวเพ่งของนั้นเบาๆก็กวายเป็นท้องน่ะของนั้นง่ายกว่าายเป็นท้องยากเพราะเรามีกำลังที่จะทำถ้าเราคนมีกำลังแล้วไม่เป็นอย่างนั้นพอต่อคู่แดกหามไปได้ นี่อเขามีกำลังแต่นั้นคนเราจะมีการพักผ่อนหลับนอนหรือรับทางนี่จิตใจทั้งหัวเราท่านมันไม่เป็นอย่างนั้นทำงานอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาจิตใจจึงต่อสู้กับเรื่องที่เหลือตั้หานเลยได้ของคื้นก็เลยกลายเป็นของอมไปเพราะใจทั้งเรามันปอมมันหลุมหลงมันไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ เมื่อมันมีสมาธิมันที่จรนาสิ่งต่างๆเข้าใจชัดเจนเห็นไปจักมันก็ละไปถอนไปเหมือนเปนกับมืดเรามีแต่ฟันอยเื่อยๆตัดอยู่เรื่อยๆทางานอยู่เรื่อยๆมันมีการรับจนมันไม่หาคมไม่ได้ฟันไม้เล็กๆน้อยๆใบห่ามันก็ไปขาดให้พราะเหยียดได้เพราะไม่ได้รับ ถ้าเราลับมันคมเต็นม้ใหญ่ๆมันก็ทำขาดมีจิตใจที่มีสมาธิหรือจิตใจที่มีสมาธิก็ทํานองเดียวกันถ้าจิตใจสมาธินั้นอนมือที่ลับคมแล้วจะตัดอะไรมันก็ตัดขาดได้แต่ถ้าเห็นอบรมใจเห็นมีสมาธิก็เลยใส่คนอื่นจะอบรมให้มีเพื่อที่จะกําหนดลมหายใจได้เคย สมายดยการกำหนดลมหายใจกัวกำหนดลมหายใจเที่จะกำหนดหมดทำอื่นเ่วบริกรรมยึดมั่นูกจิผูกใจไม่ปรุงจิตติดข้องกับอารมณ์อื่นจกบริกรรมพูดโทพศัทกับถือเรื่องพูดโทรั้ทเนี่นเป็นเรื่องสคัญจิตไม่เรียเหนื่อยอย่างบริกรรมได้ล้วจะบริกรรมอยู่นั้นอารมณ์อื่นเงินแสนเกขึ้นไม่จะไ่ติดตาม ถ้าเราเคยติดตามมาแล้วไม่เคยทำลา ย, ยกิเลสตัณหาใสใจต่างชาจากความทุกข์ได้เราจะต้องผูกใจนั่นในทำบริกรรมของตัวอย่างนั้นวเวลาตั้งใจ ท, ทํำจริงจังมันจะโยมได้ลงได้มันก็เห็นความอัศจรรย์ของใจในความปล่อยสัญญาอารมณ์ลงไปสู่ความสงบแต่ความสงบนั้น เมื่อมันถอดถอนออกมามันก็มีสัญญาอารมณ์มารดตัวดังนั้นถามจิตให้ที่นิติเจรณาเพราะอำ น, นาจสมาธิที่มีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเคยจิด ข, ของสางๆมันก็พิจารณาได้เกิดอุบาสัญญาแปก้ไ ข, ขใจจิตของจิตคิดเป็นตสางๆ เคยหายใจไม่เลื่อนไหลเมื่อเมาเถิดทอมเหมก่อนหนึ่งวัยช่วงอิปัสสนาเกิดขึ้นจากตัวของตัวเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากสำหรับตำราเกิดขึ้นจากครูจากอาจารย์ที่เคยจำมามันเป็นมันเห็นในเราจึงเชื่อมั่นธรรมะของอุตตเถรเจ้าเมื่อใครฝึกปฏิบัติเข้าใจเห็นเกิดขึ้น เกินขึ้นจากตัวของตัวอย่างนั้นก็หมดความลังเลสงสัยในจิตในใจว่าศาสนาห่วงหายไปตั้งสองพันหาร้อยกว่าปีมรคนคงไม่มีกันแน่พอเราเห็นเราเป็นใเราจะไปสงสัยอะไรคนที่ฝึกไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะยังทรงทรงอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นมรคนคงไม่มสําหรับเขาแต่พระพุทธเจ้ายอมรับแับหายไปทาดีนายจื่ ท่านสอนบํา <leakage> บัดได้สอนได้เราก็เพื่ปฏิบัติตามธรรมดีในที่ท่านสอนเราเห็นเราเต็มอยู่เขาจะพูดกันทั่วโลกกว่าตามเขาแต่เรารู้เราเข้าใจว่าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอาตาลิโกคือมันมีการมีสมัยเราจังเห็นยังเต็มอยู่เมื่อกระเพื่ปฏิบัติแข่งแข็งนี้แข่นความสงบแข่งนี้เข็นความสุขแข่งนี้สบายแข่งนี้ เมื่อเราฝึกมากไปกว่วนี้ปฏิบัติมากไปกว่วนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีทางที่จะเดินก้าวต่อไปพอทําทต่อไปควเห็นด้วยไปในจิตในใจของตัวไโดยชื่อวธรรมะเป็นอากาลดโกกจริงไม่มีการมีสมัยจริงใครต่างงานต่างชาปฏิบัติรักษาคนนั้นจะมีความสุขความเจริญความก้าวหน้า นทุกคนใครในวัฏสงสารไปเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่เป็นไปตามการตามเวลาเป็นคำสอนที่ยังคงส้งคนคงวาอยู่จงแก่พท่าพุทธเจ้ า, จาตับสุุตลอดปัจจุบันใครตั้งหน้าตังา้งตาปฏิบัติรักษาคนนั้นจะปรจากในใจของเขาเอง แต่ผห็นทำผู้รู้ทำถ้ามมนมีความดยาเพราะทำรู้ทำเห็นทำอิม่มแต่ยังมีความอยาอยู่คือยังไม่อิม่มมันจริงเหวนจริงด่าถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่มีความดยาถ้ามันเห็นแล้วมันไม่ไปหาจะไปหาทำไมมันเห็นอยู่แล้วนี่เพื่อจิตใจ ของตัวเองเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าอาการวโก้คือมันมีการมนมีเวลาพระพุทธเจ้ า, า ย, ยังทรงพระชมอยู่ความรู้ของพระพุทธเจ้ า, าเป็นอย่างไรเราเห็นทำภายในใจตัวเป็นอย่างนั้นจึงมีพระสตที่บอกว่าใครเห็นทำโดยที่ว่าเห็นเราตถาคบถ้าตถาคมีความรู้สึกอย่างไรเรากระทบจิตใจท่าเรา ถึงที่มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสงสยัยในต้องไปหาในประกาศเงืบัตรมาให้แต่ความไปจากในใจมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือเรื่องการกประเพริปฏิบัติอย่าไปคิดว่าเราไม่สามารถอย่าไปคิดว่าเนหน้าที่ของภาคของเลนของสัมนคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าไปคิดอย่างนั้น ศาสนาก็มีใครที่จะรักษาคงเส้นคงวามาได้ผู้ผูกหัาใจเท่านั้นที่รักษาศาสนาแต่คงเส้นคงวามาไม่ใช่มีผูบบ้บังคับบัญชากฎหมายกเลยในเรื่องโทษต่อในพระพธปฏิบัติตามศาสนามีโทษเท่านั้นเดินเทียวม่ปีหนึ่จะเหวิดายธรรมจึงยินดียอมเสียสละทางโลกมาประพฤติปฏิบัต อย่างพวกเราท่านก็เครเชื่อเชิ่มากบด้วยความศรัทธาเลื่อมไสอยากจะเพื่อะเทือดหยุดะเทืดใจทั้งตัวสะดวกสบายถึงสิทธิเสียขาวรขาวเรือมาจากที่ไกลแสนไกลตลาความถูกความสบายอยู่ในบ้านถ่องมาอยู่ป่าอยู่ดงเราก็ยินดีเต้นใจเพราะเราไปเราจะได้ประเทือดปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิต เราอยู่ในบ้านในช่องเราเคยอยู่มานานแล้วความสุขความสบายอย่างไรเราก็เคยเห็นแต่บังยังนึ่งเนใจหมึ่พอใจในความสูกความสบายส่วนนั้นยังอยากจะสึกอยากจะสบายอยากจะดีจะเด่นจากนั้นเราจึงยอมเสียสละกจิตใจมันท่องเข่าองเงินทองอุยป่ามาพักในป่าในโดงเสียศึกษาเสีอปฏิบัติธรรมนั้น เสียสำลักใจของตัวสำนั้นทุกท่านที่วิสาพยายามตั้งใจมาสำลักจิเหลือันหามาฝึกขัดพาวน า, าโดยจงต่างหนา้าต่้งตาทีนี้คือใจมาสาลักใจของตัวไม่เฉยามาอยู่ป่าทิตเหลืตปัญหาลา ะ, ะมานาทิถิโลกฝนหลงมันจะตกใส่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่ปา่าจิตคนนี้โยนเริงชอบ าแต่เพื่อปฏิบัตินั้นคือตามันแห่งใจจากสัญญาอารมณ์มันแห่งใจจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างมันเป็นทางดิเวทเดือดใจของเราคือมันเดืเยี่ยวเกาะยุ่งเหยิงฟุกพลาดตอ้นี้หนูคณะเดือดใจดิเวทมีรูปมีเสียง ในเรื่องต่งางนารบกวนให้จิตใจนั้นคิตนั้นเป็ง น, นั้นกวมีทางที่จะสึกจะสอนได้